พระคุณเจ้าที่ปรรพบแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านท่านอาจารย์ที่เป็นเจ้าของสถานที่และผู้ดำนาการแล้วก็คุณแม่ชีทุกๆ ท, ท่านและขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ได้จัดงาน ฟังทำแล้วก็ปฏิบัติธรรมในวันนี้รวมทั้งผู้ที่ได้รัทํารมที่ได้เข้าร่วมมาในงานนี้ทุกๆท่านด้วยก็ <akah. S 1> มีความดีอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมเป็นสื่อทางธรรมพูดในภาษาไทยว่า <like> เป็นปากให้พระธรรมก็ได้ ก็ได้ไม่มีสิ่งอืง่นใดที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจในวันนี้นี่ก็นนจากธรรมะอาศัยพระธรรมนี่แหละเป็นสื่อที่สร้างแรงบันดาลใจนั่งสบายนะ ยังไม่ต้องคลิ้งเคลื่อนเคลื่อนไว้ตามปกติ <l ug> รักษาจใจอยู่กับปัจจุบันเขาไว้า <l ug> กายอยู่ที่หอประชุมแห่งนี้ก็ใจต้องอยู่ตรงนี้ด้ว ย, ยส่งจิตสนใจออกไปนอกหอประชุมเราอาจจะไม่ได้รู้จักตัวเองกายอยู่กับปัจจุบันนี่ดีนะ ต้องฝึกเอาไว้นะถ้าเรามีปัจจุบันเมื่อไหร่แสดง ว, ว่าเราก็มีสติมาแปัจจุบันกับสติปัจจุบันกับความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นของคู่ขาดสิ่งใดเสื่อหนึ่งไม่ได้คนที่มกักจะที้หลงขี้ลืมได้หน้าลืมหลังทำตรงนี้แล้วคิดถึงเรื่องข้างหน้า แล้วก็ลืมเรื่องตรงนี้เพราะเราไม่ได้รักษาจิตอยู่ปัจจุบันเข้าไว้การฟังธรรมะคือเราฟังเรื่องปัจจุบันเรื่องของตัวเราเองของจริงมีเฉพาะที่ปัจจุบันเท่านั้น ที่สูจได้ที่ปัจจุบันนอกเหนือปัจจุบันนี่มันก็ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะแม้แต่การแสวงหาความดับทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้ที่ปัจจุบันการแสวงหาความสุขที่แท้จริงว่าที่ที่ปัจจุบันงนั้นแหละอย่ามองข้างตรงนี้ไป อย่างเช่นผู้ที่จัดงานก็ดีหรือผู้ที่เข้ามาร่วมงานก็ดีถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะแสวงหาความสุขกับสิ่งที่เราทําได้ความสุขที่เราแสวงหากันอยู่นั้นเรามักจะหาที่อนาคตไปมองที่อนาคตเป็นหลัก าทั้งที่เราเริ่มกระทำแล้วที่ปัจจุบันแต่กลับไปมองหาผลในอนาคตรอความสุขในอนาคตบางทีก็ไม่ได้เจอความสุขการที่เราได้สิ่งทำในสิ่งที่มีคุณภาพมีประโยชน์สำหรับตัวเองและคนอื่นนั้นเราจะรู้ว่า ถ้าเราเห็นสิ่งที่เรากำลังทำตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะดูจิตใจเราจะมีความสุขกับการกระทาของเราอย่างที่เจ้าหน้าที่ผู้จัดงานนี่กำลังทาหน้าที่ในการบริการถ้ารักษาเจตคุรปัจจุบันได้เนี่ยเราจะพบความสุขที่แท้จริง ความสุขอียาที่สวยแสหาได้ทันทีก็คือความพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่มันก็เป็นความสุขที่เราไม่ต้องแสวงหาก็ได้นะเพียงแค่เรารู้ตรงที่เนื้อที่ตัวเราก็จะรู้ว่าเนี่ยมันมีความสุขอยู่ที่ตัวเราแนละ้วความสุขอยู่ไม่ไกลตัวเราหรอกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานหละอีสิ่งหนึ่งคือเรื่องของความทุกข์ เรืองความสับสนเราก็รู้ได้ตัวที่ปัจจุบันนีคนที่กลัวภัยในอนาคตมีความวิตกกังวลกลัวจะมีภัยพิบัติกลัวจะมีน้ําท่วมแผ่นดินไหวตอนนี้ยังไม่มี <c oughs> แต่เรามองไปอนาคตแล้วเกิดความวิตกกังวล นนอนไม่หลับก็มีแล้วคนที่มีสิ่งพางคางใจในอดีตอดีตเคยทำในสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้หรือมีความอาลัยวานกับสิ่หนึ่งในอดีตที่ผ่านมาถ้าเรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยสิ่งนั้นก็จะหายไปทันทีทันทีเลยเมื่อจิตรู้อยู่ที่ปัจจุบันเรื่องราวต่างๆ จะดีเลวร้ายแค่ไหนก็ตามที่เกิดขึ้นจากอดีตหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะไม่มีขึ้นการออกจากทุกข์ได้ทันทีนั้นก็คือรู้อยู่ที่ปัจจุบันอย่างวันนี้วันที่สิบเอ็ดมีนาคมเนี่ยมันครบครอบวันเกิดเซนอมิของประเทศญี่ปุ่นถ้าเราไม่ได้นึกถึงตรงนั้นเนี่ย เราก็มีต้องมีความทุกข์ะับสนามิตรงนั้นหรานึกถึงเมื่อไหร่เราก็มีจิตใจซ่อมหมอนะปรุงแต่งสรารภาพอย่างใ น, นเรื่องราอดีตผ่านผ่านไปแล้วแล้วก็เป็นทุกข์กับเรื่องราวในอดีต<ม>เคยมีคนญี่ปุ่นมาคุยหลยังจากที่เกิดสึนามิแล้วเขาบอกเขามีความอะไรวอน กับญาติที่เขาจากไปเขาคิดถึงมากจะทำยังไงดีที่จะออกจากอารมณ์นี้ได้เนี่ยเราฟังแล้วเห็นว่าเขาปล่อยจิตปล่อยใจในสิ่งที่ผ่านไปแล้วอย่างเช่นเรื่องราวในอดีตคิดทีไรเขาก็เจ็บปวดทุกทีพอดีเขามาเข้าคอร์การเจริญสติ ก็เลยนี่แหละเรามีสติรักษาจิตอยู่ปัจจุบันเขาไว้อยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่เรื่องเร็วร้ายในอดีตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะหมดไปทันทีแม้การดับทุกข์กรณีการแสวงหาความชุบกรณีมันก็อยู่ที่ปัจจุบันเหมือนกันแหลอย่ า, อยามองข้ามอย่ามองข้ามปัจจุบันนักปฏิบัติ ก็ต้องมีปัจจุบันมาทำชีวิตใหม <laughs> ่ก็เริ่มต้นที่ปัจจุบันปัจจุบันเป็นโอกาสที่เรียกว่าโอกาสดีสาหรับชีวิตเป็นโอกาสทองถ้าปัจจุบันไม่เริ่มแล้วก็อนาคตก็มีแน่การจะแสวงหาความสุขก็ดีการจะดับทุก ให้กับตุเล่ก็ดีเนะี่ยเพียงแค่คิดนึกเอาเนี่ยัยังไม่ได้ลนะ่ะมันต้องมีการกระทํามีการปฏิบัติตัวเองด้วยตนเองมันจึงจะบรรลุผลได้โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบททัติธรรมที่นี่ก็มีนักปฏิบัติเยอะนะนักปฏิบัติกรรมฐาน เจริญสติภาวนาก็มีเยอะสำคัญที่ว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราอยากจะบรรลุผลเราเพียงแค่คิดนึกจากการได้ยินจากการคิดเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมานแต่ไม่มีการปฏิบัติเลย เราไม่มีวันจะเข้าถึงผลของการปฏิบัติได้โนะดยเพราะเรื่องการภาวนาจิตตภาวนาเราจะต้องมีการกระทำลงไปมีตัวปฏิบัติมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติแล้วก็รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตตามความเป็นจริง เรียกว่าวิปัสนาหรือจิตภาวนาวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้ง <g ül> การเห็นแจ้งมันต้องเห็นจากปัจจุบันเห็นแจ้งถ้าเราเพียงแค่คิดนึกเอาตามที่ครูบาอาจารย์บอกหรือการได้ยินได้ฟังมาเราไม่ได้เห็นแจ้งในตัวเราเอง ก็ไม่ใช่วิปัสนาเป็นวิปัสสนึกซึ่งนึกเมื่อไหร่ก็บรรลุทําได้เมือนั้นแต่ไม่ใช่บรรลุจริงๆหรอกวิปัสสนึกแปลว่าคิดรู้วิปัสสนาก็ต้องสัมผัสรู้ต่างกันนะคิดรู้กับสัมผัสรู้อันไหนมันจริงกว่ากัน การเห็นพระไตรลักษณ์ก็เหมือนกันพระไตรลักษณ์นี้มีสองลักษณะที่เราปฏิบัติกันอยู่มีไตรลักษณ์คิดกับไตรลักษณ์รู้สึกไตรลักษณ์คิดก็คือเราก็คิดเช่นเรากำลังเดินจงรกรม่เราก็ รู้สึกในวิธีการเดินแล้วก็คิดว่าโอ้กายร่างกายนี่มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยมันต้องเป็นทุกข์มันเ้าปัญชามันไม่ได้มันมีตัวตนอยู่จริงหรอกแล้วก็จบโรนิการคิดเรายังไม่เห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกอย่างไรมันเป็นอนัตตามาเข้าปัญชาไม่ได้อย่างไรเราก็คิดสรุปเอาจิตล้อมลงไป มันก็เป็นไตรลักษณ์คิดก็คือวิปัสสน์ถ้าไตรลักษณ์รู้สึกเนี่ยขณะเดินอยูย่มีความรู้สึกเอาติ๊ก็ไปสัมผัส ก, กับความเป็นไตรลักษณ์ของกายที่มันเคลื่อนไปโอมันมีอาการไหวๆกายมีาการไหวๆนะนะปะเดี๋ยวมันก็ เคลื่อนไปทางนน้นเคลื่อนไปทางนี้มันมีความไม่เทีย่ยงพอเคลื่อนไปสักพักนึงตอนแรกมันก็ไปปวดไม่เมื่อยเกิดเวทนาปวดเมื่อยขึ้นไปแล้วเห็นเวทนามันไม่เทีย่ยงมันเมื่อยเราอยากจะเดินนานๆให้มันหายเมื่อยมันก็ไม่ยอมหายยิ่งเดินยิ่งเมื่อยโอ้เราไม่สามารถจะบังคับให้มันหายได้ตามความรู้สึกของเราสัมผัสกับไตร ล, ลักรู้สึกตรงเนี้จึาจะรู้ว่าอ๋อกายไม่เที่ยงอย่างนี้ เป็นตุกอย่างนี้บรรคับครบรรจาไม่ได้อย่างนี้เป็นไตรลักษ์รู้สึกเรียกว่าเห็นแจ้งไตรลักษ์รู้สึกเป็นปรัสนาไตรลักรู้สึกนกี่จ ะ, จะเป็นปรมัติธรรมมากกว่าจริงกว่าเราจะสัมผัสรู้กับร่างกายเราเป็นไตรักรู้สึกได้อย่างไงนั้น มันต้องมีตัวปฏิบัติต้องมีการกระทําลงไปคิดเอามันก็ไม่บรรลุผลต้องปฏิบัติต้องมีตัวปฏิบัติอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะสัมผัสรู้ได้อย่างไรมันต้องมีสติต้องมีสติรู้ลงไปที่ขันห้าหรือกายใจของเรา สติเป็นภาษาแขกภาษาอินเดียเราอาจจะเข้ามาถึงตรงนี้นะเราเนคนไทยเราต้องใช้ภาษาไทยใช้ความรู้สึกตัวดีกว่าพูดแบบไทยๆต้องรู้สึกตัวมันง่ายกว่าสติสติปับ๊บเราจะเครียดเลยนึกถึงสติเราจะเครียดทันทีเลแต่ถ้ารู้สึกตัวนี่โอ้นี่มันเป็นเนื้อเป็นตัวของเรา ต้องมีความรู้สึกตัวจึงจะมีการสรัมผัสรู้ลงไปที่เนื้อที่ตัวเราซึ่งมันมีอยู่แล้วในตัวเราแต่มันยังไม่ค่อยพัฒนาเพราะเรายังคิดเยอะเราต้องมีความรู้สึกตัวลงไปที่รูปนามขันธ์ห้าหรือในสติปัฏฐานสี่รู้สึกตัวลงไปในกาย รู้สึกตัวในเวทนารู้สึกตัวในจิตรู้สึกตัวในธรรมซึ่งกายเวทนาจิตธรรมเนี้พุทธเจ้าท่านไม่ได้บัญญัติไว้ให้อยู่นอกตัวเราเลยมันคือเนื้อตัวของเราแท้ๆเลยกายเวทนาจิตธรรมไหนใครไม่มีกายไม่มีเวทนาไม่มีจิตไม่มีธรรมบ้าง อยู่ใ น, นในตัวเรานั้นการที่จะสมัมผัสรู้จริงๆนั้นก็ต้องมีความรู้สึกตัวขยันรู้ตัวลงไปที่กายของเรากายที่อยู่นิ่งกายที่เคลื่อนไหวกายที่เป็นลมหายใจเข้าออกให้รู้ลงไปนะรู้เรื่อยเ ร, อยรู้บ่อยๆรู้จนชำนาญเราจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น มันจะเห็นตัวเราไม่ใช่รู้ธรรมดาเป็นการเห็นรู้อาจจะคิดรู้ไม่ชัดเจนเท่ากับแบบเห็นเห็นเอาความเห็นเนี่ย้าไปที่กายเราจะได้เห็นว่ากายสัตว์กัว่ากายนะไม่ใชสัตว์บุคคลตัวตนเราเขากายที่เรารู้นะั้เป็นกายที่เรายึดติดอยู่ถ้ากายที่เราเห็นนั้นเป็นการที่ไม่ยึดติดแนละ้ว มันแยกมันนะแยกมนะัคือจิตมันตื่นออกมาจากกายตื่นออกมาจากกายตื่นออกมาจากการ ย, ย, ยึดติดว่ากายเป็นเราพอรู้บ่อยๆแนละ้วจิตมันจะตื่นตื่นขึ้นแตกแถวออกมาเห็นกายแรก เ, เราเดินอยู่ท่าเดียวกับกายอยู่ร่วมกับกาย แต่พอรู้บ่อยๆจนธรรมด า, นานจิตมันก็ตื่นออกมาเห็นกายคือกายไม่ใช่ตัวเราอะไรเราจะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะร่างกายต่อไปเวทนาก็เหมือนกันทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายถ้าเรามีความกล้าอันพอเราก็รู้สึกโดยที่ทุกขเวทนารู้แบบธรรมดานี่ย รู้เวทนาบ่อยๆรู้จนชำนาญด้วยความเพียรจิตที่รู้ในเวทนามันก็จะตื่นออกมาแตกแถวจากทุกขเวทนาซึ่งเมื่อก่อนยึดว่าเป็นของเราแต่พอรู้บ่อยๆแล้วก็ชำนาญก็ตื่นออกมาจิตตื่นออกมาจากทุกขเวทนากลายเป็นผู้เห็นเวทนาไม่ได้ผู้เป็น ทุกเวทนามันแตกแต่วมาจากทุกขเวทนาว่าเป็นแค่ผู้รับรู้รับทราบเอาไว้เพราะเห็นเขาแล้วแต่ก็รู้เขาจะช่วยเหลือเขาอย่างไรไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะทุกขเวทนาอากายต่อไปเวทนาสัตว์เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตัวหลอกเขาทั้งนั้นจิตก็เหมือนกัน ถ้าเรารู้จิตบ่อยๆกำว่ารู้จิตเนี่ยบันทีอาจจะไม่เห็นจิตหรอกจิตมันเห็นได้ยากมา่สมมากเราจะคิดได้เยอะเราก็รู้ที่อาการของจิตสักครรู้ที่เงาของจิตคืออาการของจิตถ้าเป็นน้ำถ้าเป็นน้ำแข็งก็ไอระเหยของน้ำแข็ง <laughs> ยังไม่รู้จักตัวน้ำแข็งเรารู้อาการของจิต คือความคิดนึกลุ่งแต่งรู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆในปัจจุบันเห็นความคิดด้วยความรู้สึกจนชำนาญจิตก็จะตื่นออกมาจากความคิดเมื่อก่อนเอาความคิดเป็นเราเราเป็นผู้คิดจิตกับความคิดคือสิ่งเดียวกันแต่นักปฏิบัติที่มีความชำนาญ รู้ทันความคิดจิตมันก็ตื่นออกมาแตากแถวมาจากความคิดไม่ ป, ปรุงแต่งต่อกลับมาเห็นความคิดสักแต่ว่าความคิดสักแต่ว่าอาการของจิตเท่านั้นจิตมันก็หลุดออกมารูดได้กอกมาเห็นได้ก็ตื่นออกมาจิตตื่นเห็นทำใดทำก็เิ่นเดียวกันทำใดทำก็คืออกุศลหรือกุศล ที่เกิดขึ้นในจิตในใจเราแต่ก่อนเรายึดว่าเวลาเราทำบาปทาบุญอุศลโอ้เราเป็นคนบาปเนะเาะก็ยังมีเราเวลาทำบุญทากุศลเออเราเป็นคนมีบุญมีกุศลก็ยังมีเราอยู่ในอารมณ์แบบนั้นก็เป็นธรรมะเท่านั้นแต่ถ้าเรารู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆจิตก็จะตื่นออกมาจากธรรมะมาเป็นผู้เห็นธรรม ธรรมะสัะธรรมะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตมันตื่นเพราะรู้บ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆเพราะนั้นรู้กับเห็นมันต่างกันอยเช่นความคิดอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้ทันว่าเราคิดอยู่แต่ทาไมะจะออกจากความคิดไม่ได้ เช่นความโกรธเราก็รู้ทันว่าเราโกรธแล้วมันจะไปถึงโกรธทําไมความโกรธไม่หายเกิดเป็นไหมอยากให้มันหายมันก็ไม่หายเรารู้แล้ว่าเราโกรธเพราะรู้คิดรู้โกรธกับเห็นคิดเห็นโกรธเนี่ยมันโคราดกันพราะรู้เมื่อไหร่เราก็จะเข้าไปใน ความคิดความโกรธเลยแต่ถ้าเห็นเนี่ยมันก็ออกมาเป็นผู้ดูผู้รับรู้รับทราบเท่า น, นั้นเองนะถ้าไม่เห็นความโรมากรธเมื่อไหร่ก็เราก็ยังโกรธอย่างไปพยายามดิ้นร น, นที่จะออกจากความโกรธให้ได้มันก็เป็นการดีนะแต่ออกไม่ถูกช่อง <c oughs> <c oughs> เราหลงรู้ตัวบ่อยๆในความโกรธครับ เราจะเห็นความกโกรธอ๋อความโกรธนี่มันทำให้จิตต้อเป็นทุกข์เนาะเนี่ยอาการนี้มันทำให้จิตมันรุ่มร้อนเห็นความโกรธเห็นทุกข์ในความโกรธต่อไปเราก็จะไม่โกรธอีกต่อไปไไการขยันรู้สึกตัวบ่อยๆมีการกระทาตรงเนี้ยมีปัจจุบันมีการกระทาตรงนี้มันทำให้จิตนี่มันตื่นรอก ตัวเอง่าเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นนะโดยเพราะเรื่องความคิดเนี่ยเรื่องของอารมณ์เนี่ยเราว่าเป็นทุกเพราะว่าอารมณ์ตัวเองความคิดตัวเองไม่มีใครมาทําร้ายตัวเราเท่ากับความคิดในการปรุงแต่งตัวเองเท่านั้นที่จริง ผมเคยเห็นความคิดเออความคิดเนี่ยมันเหมือนมือที่สามมือที่สามนี่ไม่ใช่หมายถึงมีมือมั้ยละมือสามคือผู้ที่ยุคให้รำทำให้ร่ว <c ười> คือมือที่สามเราจะเข้าใจไหมมีกายมีจิตแล้วก็มีความคิดเป็นมือที่สาม ให้ความคิดที่เป็นอุปทิศสามเนี่ยทาให้กายกับจิตเนี่ยเลี่ยนเบี่ยนกันสังเกตในตัวเรานะไม่เป็นทําต่อกันเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ป่วยเฉพาะร่างกายจิตก็เป็นทุกข์ไปด้วยเพราะกายที่มันเจ็บป่วยเพราะถูกความคิดปรุงแต่ง ทำไมถึงต้องเป็นเราจะมีหมอรักษาไหมค่ารักษาแพงหรือเปล่ารักษาแล้วจะหายไหมมันจะตาย <c oughs> ความป่วยไม่มีความหมายแล้วแต่ความคิดที่มันป่วยจริงๆนะีเป็นวันที่สามนะี่นะทำให้จิตนี่มันต้องเป็นทุกข์กายก็เบียดเบียนจิตตรงนี้กายป่วยใจต้องเป็นทุกข์ เพราะความคิดปรุงแต่งถ้าในเรื่องของป่วยทางกายกับเรื่องของจิตใจเนี่ยมันคนละเรื่องกันป่วยร่างกายใจไม่ต้องเป็นทุกก็ได้หรือบางทีจิตใจมันคิดปรุงแต่งถูกกิเลสลุมแล้วมีความเครียดมันก็มีผลนะทำให้ร่างกายเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเช่นเดียวกันอะ จิตไปเบียดเบียนกายสักแล้วกายกับจิตไม่เป็นธรรมต่อกันนะาเบียดเบียนกะันเพราะตุกมือที่สาม<แ>ก็คือความคิดปรุงแต่แตอนนี้ไม่ได้รังเกียจความคิดนะไม่ใช่รังเกียจความคิดเพราะเราต้องใช้เขาเราต้องใช้ความคิดทำงานทำหน้าที่วางแผน ต้องใช้ความคิดในการทำธุรกิจอย่าไปแรงเกีย์ความคิดต้องคบคาเขาไว้แต่อย่าไปสมาคมคบคาคืออาตายเขาทำหน้าที่ทำธุรกิจวางแผนแต่อย่าไปสมาคมคืออย่าไปยึดติดว่าความคิดเป็นเราเนี่ยนะบางคนคบคาได้แต่สมาคมเขาไม่ได้นิสายเขาไม่ดี <c oughs> จะไปต้องคบค า, เ พ, าเพื่ออาชีพ ความคิดก็เช่เดียวกันนะคบค้าเขาได้อาศัยเับแต่อย่าไปสมาคมยึดมั่นถือมันว่าเป็นความคิดของเราเป็นตัวตนของเราคือเราต้องใช้ความคิดเพื่อจะวางแผนวางแผนในการทำงานต่างๆวางแผนแต่วางแผนว า, วางแล้วต้องรู้จักวางให้เป็น ถ้าเราไปสมาคมไปยึดติดในความคิดเราก็จะวางแผนไม่ได้เหมือนกันนะตื่นเช้ามาก็คิดวางแผนขับรถมาทำงานก็คิดวางแผนทานข้าวก็วางแผนก่อนจะนอนก็วางแผนแล้วนะก็นอนไม่หลับเพราะเราไม่รู้จักวางแผนไม่ดีเรามวัวแต่ไปยึดติดไอ้แผน ง, งานที่เราวางไว้แล้ววางไม่ลงต้อนงะคิดปรุงแต่จนนอนไม่หลับ ชื่อเขาบอกแล้วว่าต้องวางแผนคือตั้มแผนไปแล้วต้องวางเป็นที่จะนอนหลับหรือแพนนิ่งแพลนแล้วมันต้องนิ่งมันที่จะใช้ประโยชน์กับความคิดได้ถ้าแผนแล้วไม่นิ่งเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านวางแผนไม่เลิกเนี่ยก็ฟุ้งซ่านเพราะวางแผนแล้วรู้จักวาง มีแต่แพ้เรื่องมีแต่านั้นไม่ได้หลังเกียรติในความคิดเราต้องใช้ก็ตามหน้าทีนะ่เรียกว่าครบค้าเขาได้ในการทำหน้าที่ทําธุรกิจแต่ไม่สมาคมคือไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราการเอาชนะความคิดนั้นก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวนี่แหละ อาศัยความสึกตัวรู้ให้ทันในความคิดที่มันเกิดขึ้นต้อมีความรู้สึกถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยอาชนะความคิดไปได้ที่จริงความคิดที่มันกลัวอะไรความคิดมันกลัวสติกลัวเรารู้ทันถ้าเรารู้ทันเมื่ อ, อไรแล้วก็ความคิดมันก็จะเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเลย เนี่ยรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยมันก็หลอกลเรเลยความคิดพวกคนที่รู้ทันืคอคนที่มีสติแล้วความคิดมันโง่กับสตินะโง่ความสตนะิเวลาราภาวนาเนี่ยเรานั่งรู้ลมหายใจก็ดีเคลื่อนไหวก็ดีเนี่ยถ้าเรา มารู้สึกเอาไว้ที่กายเคลื่อนไหวหรือลมหายใจเคลื่อนไปขึ้นมาหรือเรต่างๆเนี่ยถ้าเกับเราลักพาจิตออกมาอยู่กันแยกกับตัวเราเนี่ยความคิดเตี้ยนปรุงแต้มมันก็หลงทางได้เหมือนกันความคิดมันโง่กว่าสติเพียงแต่เอากายมาอยู่กับเอาจิตมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวหที่ทำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีความคิดเกิดขึ้นใช่ไหมมันหลงทางได้เลย ถ้าเรารู้ตัวบ่อยๆเนี่ยความคิดก็ไม่เกิดนะมันโง่กว่าสติแล้วมันกลัวสติด้วยถ้าุทันเมื่อไหร่มันก็ล้มละลายไปเลยเหมือนกันพรความคิดเกิดดับก็เห็นมันเข้ารู้ทันมันเข้าเนี่ยก็มัญหายใบเนี่ยจิตมันก็จะผ่องสายบริสุทธิ์เหมือนเดิมจิตมันก็เป็นปกติเหมือนเดิมไม่เป็นว่าพัดสอน เพราะว่าไม่มีความคิดแบบปรุงแต่เนี่ยคือจิตเดินแท้เพราะอะไพะมีความรู้สึกตัวตัวนี้แหละทาให้เห็นความคิดแท้แก่นแท้ของจิตก็คือความรู้สึกตัวถ้าใครมีความรู้สึกตัวเนี่ยเข้าถึงแก่นแท้ของจิตเลยเป็นต้นต่อของชีวิต ค, ความรู้สึกตัวเนี่ยหากเราทําความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยจนเข้าถึงความรู้สึกแท้ๆแล้วโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคิดปรุงแต่งใดๆ เ, เราจะพบความสุติแ ท, ท้จริงพบความสุติแ ท, ท้จริงเพียงแค่เราทํำถึงเดียวคือรู้สึกรู้สึกตัวเท่านั้นเอง เป็นผลการปฏิบัติทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องแสว้งหำอะไรเพื่ออะไรเลยเพียงแค่มีความรู้ตัวแล้วเข้าไปถึงตัวนี้ได้นะเนีมันเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการกระทําไม่ได้คิดเอาถ้าคิดเอาเนี่ยเราจะไม่พบความรู้ตัวที่แท้จริงเราเจอแต่ความสึกที่เป็นรู้สึกคิดเฉย แล้วไม่ต้องถามว่าความรู้ตัวเป็นอย่างไรทั้งที่รู้นะแต่ก็ยังมีความมั่นใจพอรู้ตามตำรารู้แในที่เขาบอกก็มีแต่คําถามมีแต่คําถามว่าทําอย่างไรความรูัวทำอย่างไรทําที่ไหนเนี่ยก็ต้องแสวงหาอยู่นั่นแหละทั้งไม่มีอยู่แล้วในใ น, ใ น, ใ, น, ใ, นในตัวเรายิ่งถามหา ยิ่งไม่เจอยิ่งสงสัยยิ่งไม่เจอยิ่งคิดหนักความรู้สึกตัวก็มีเดี๋ยวเราที่ทานเซนสั้นๆสักครึ่งนาทีมีสิทธิ์กับอาจารย์เซนนั่นดยู่นสิทธ์ก็ อยากจะรู้ว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรทาอย่างไรก็เฝ้าถามอาจารย์อาจารย์ครับความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรอาจารย์ก็ไม่ตอบเลยก็ถามอีกอาจารย์ครับความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรไม่ตอบความรู้สึกตัวคืออะไรท่านก็ไม่ตอบอาจารย์ก็นั่งนิ่งทำบรรลุมิจีรู้สึกยก็เลยรู้สึกน้อยใจนนคุณคิด ใจมือยลอยอาจารย์ก็มองเห็นว่ารู้สึกกาลังใจล อ, อยก็เลยเอามือเอื้อไปหยิบไม่เลียวปวดไปที่หลังของศิษนะ่ะไปไปที่หลังศิษย์สะดุ้งเพื่อเลยรู้เพื่อเลยก็จะตีครั้งหนึ่งถอยหลังตูดเลยไปตะกราบผมทราบเลยครับพอรู้สัวเป็นอย่างนี้เองนผมทราบแล้วครับอะไรครับขอบคุณอาจารย์ครับบรรลุถึงความรู้สึกตัวทันทีเลย ความรู้สึกตัวนี่ไม่มีคำถามนะมีแต่คำตอบถึงบางอ้อบางทีเลยทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวสังเกตดูนะจิตจะไม่เลื่อนลอยจะไม่ปรุงแต่งจะไม่เพลินจะมีปัจจุบันถ้าใครมีปัจจุบันตรงนั้นก็มีความรู้สึกตัวถ้าใจิตใจเราไม่เลื่อนลอยไปคิดนึกปรุงแต่งก็มีความรู้สึกตัวทางนั้นแหละอย่าถาม ถามเมื่อไหร่ก็ไม่เจอถ้าใครสงสัยก็ลองถ้าคนข้างๆก็ขวดหลังทิงสะดุงเคืองบอกโอ้นี่แหละคือความรู้ตัวเป็นคำตอบสุดท้ายเลยแล้วไม่ต้องหาที่ไหนผมก็เคยนะเคยสงสัยในการเรื่องการปฏิบัติเนี่ยสงสัยอยู่นครสวรรค์คือนครสวรรค์ นอนไปดู้วยอยู่ที่บ้านนอนตลิกมือเนี่ยกรรมฐานผ ม, มนี่แปลกก็คือนอนตลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกแปลการเคลื่อนไหวพลิกมือกรรมฐานหมดจะเหมือนใครแล้วพ่อคำเขียนท่านแนะนำมาให้นอนตลิกมือแล้วก็รู้สึกตัวตลิกมือรู้สึกความรู้สึกให้รู้ให้รู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวของมืออย่าไยุ่กับความคิดนะ <c oughs> เวลาคิดก็มารู้สึกกัไว้ เดือนนะผมไม่เคยสนใจความคิดเลยนะรู้สึกอย่างเดียวนึกเอาแค่หนึ่งเดียวเอาความรู้สึกล้วนหนึ่งเดียวเท่นเองให้มีปัจจุบันมีความรู้ตัวเป็นเครื่องอยู่เออมันก็ลืมมันก็ไม่คิดอะไรมันปรุงแต่งให้ปรุงสางนอนติ๊กมืออะไรก็รู้สึกหนึ่งเดือนนะรู้จักรูปนามก็รู้กายที่มันเคลื่อนไหวที่มือรู้จักรูปนามเดือนเดือนเห็นรูปเห็นนามแต่ก็ยังสงสัยว่า เราเห็นจริงหรือเราคิดเอารู้ว่าเนี่ยมันคือรูปนามแล้วเข้าใจแล่ะรู้แล้วไเห็นด้วยเห็นมันเคลื่อนเห็นมันรู้อย่างน้ามีความมั่นใจเพราะเราเคยอ่านตำรามาสิบหกปีนะศึกษาตำราเรื่องการปฏิบัติเรื่องรูปนามมาสิบหกปีนะมันก็เลยเปรียบเทียบกับตำราอยู่เรื่อยบางที่เอาตำราเข้ามาปฏิบัติมันก็เลยมันฟุ้งซ่านไปเยอะเลยเราก็เห็นรูปเป็นนาม แต่แล้วมันก็คิดว่ามันเห็นจริงไหมเอ่อนหมายแลบบจะส่งไปหาหลวงพ่ อ, ขอเขียนที่วัดป่าสุกรโตทัวใจปูจะส่งไม่ได้เพราะน้ําท่วมบ้านปัตตานีไม่ทํางานน้ําท่วมบ้า น, นเดือนเดือนปัตตานีไม่ทํางานก็ไม่ได้ส่ง ไ, ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เปิดบัตรเราต่อไปกันแล้วกัน ก็ดีไปใหญ่นะหากไกลครูบาอาจารย์เราจะได้ฝึกด้วยตัวเลยก็วางความสงสัยไว้ก่อนแล้วก็มารู้สึกตัวนั่นมันไม่มั่นใจกับความรู้ของเราที่ปฏิบัติเพราะว่าเรารู้ตามตำรามาเยอะแล้วเปรียบเทียบกันต้องวางตำราไว้ก่อนนะมาปฏิบัติอย่างเดียวมารู้สึกตัวอย่างเดียว ก็ทำทำไปยิ่งรู้สึกตัวมากมาเนี่ยจิตมันก็ยิ่งตื่นยิ่งตื่นมาเสร็จแล้วมันก็มีความสงสัยอยู่เรื่อยมันสงสัยอยู่เลยเมื่อสงสัยแล้วก็เอานะให้รู้ทันความสงสัยนะแล้วก็ทิ้งมันไปกลับมารู้สึกตัวสงสัยไอ้ความสงสัยนี่มันไม่หยุดง่ายๆนี่ขนาดไม่ได้หาคําตอบนะถ้าสงสัยและหาคําตอบเนี่ยมันไม่จบ ไก็รู้เท่าทันความสงสัยเห็นความสงสัยบ่อยๆเนี่ยจิตมันก็ตื่นมาเป็นผู้เห็นนะ่านรู้บ่อยๆกลายเป็นเห็นรู้แล้วก็เห็นเห็นความสงสัยความสงสัยที่ายในจิตแล้วก็เหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายไม่ปกติสักพักหนึง่งมันก็หายไป อมันก็ไม่แน่นอนในความสงสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นชั่วคราวนะผลุธันมันก็หายไปแล้วมันไม่มีตัวตนอยู่จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปพอเราไม่สนใจหรือไม่สงสัยมันก็ไม่มีนะเราก็เห็นโอ้เห็นใจรักในความสงสัยในขณะที่เราปฏิบัติเลยตั้งแต่นั้นมาเราไม่เคยสงสัยต่อไปเลยได้คำตอบจากสิ่งที่เราสงสัย เพราะเรารู้เท่าทันต้นต อ, นตอนของจิตที่มันคิดสงสัยเห็นต้นต อ, นตอนความสงสัยก็จบลงที่เห็นมันที่สุดความสงสัยคือรู้ทันแล้วก็เห็นมันมันก็นจะไม่สงสัยอีกต่อไปถ้าเราหาคำตอบความสงสัยเมื่อไหร่แล้วก็เราจะหาคำตอบไม่เลิกเท่ากับเราใส่เชื้อความสงสัยไปให้อาหารความสงสัย สงสัยอะไรก็หาคำตอบสงสัยอะไรก็หาคำตอบมันก็เคยจิตที่ต้องหาคำตอบไม่จบสิ้นตลอดชีวิตหาคำตอบไม่ได้ไม่จบเพราะเราสงสัยอยู่เรื่อยก่อนจะตายก็ชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอะไรพกเอาความสงสัยติดไปชาติได้มันก็ไม่จบก็จีงการปฏิบัติการเวียนว่ายตายเกิด หน้า่กายครูบาจารย์ก็ดีอย่างนี้นะเราได้คําตอบของตัวเราเองแม้แเราก็ล้อสงสัยก็ถามครูบาจารย์สงสัยก็ถามครูบาจ า, สสยารย์นักปฏิบัติสมัยเนี้อ่อนแอมากมีความอ่อนแอเพราะินกตกหน่อยสงสัยหน่อยก็ถามมาครูบาจารย์บาจารย์ก็ให้คําตอบอ๋อเพราะได้คําตอบจากครูบาาจารย์ แต่เราไม่เคยปฏิบัติตัวเราเองให้เอาชนะอารมณ์ของ น, นั้นได้สมัยนี้จึงอ่อนแอเพราะจิตไม่มีกําลังมีความรู้เยอะศึกษามาเยอะเข้าใจแต่ใจมันไม่เข้าถึงใจมันไม่เข้าถึง อ, ะอ่ะไม่เข้าถึงอะ่ะมีความรู้เยอะแต่ปฏิบัติน้อยมันก็ไม่บาลานซ์กันใช่ไหอ การที่ห่างไกลครูบาอาจารย์หรือไม่มีครูบาอาจารย์ก็ดีไปยากที่ว่าจะได้พึ่งตัวเองการปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเฉพาะสติปัฏฐานสี่หรือการภาวนาเนี่ยมันเป็นทางอันเอกเดินได้บุคคลคนเดียวเป็นทางสายเดียวเดินด้วยบุคคลคนเดียวนะแล้ว ก, การแก้ปัญหาแก้ด้วยตัวเราเองไม่ใช่หวังพึ่งผู้อื่น ต้องฝ่าปามุขดักด้วยตัวของเราเองมันจึงจะบรรลุผลด้วยตัวเองจะได้ที่พึ่งนิแทจริงอย่าได้ไปหวังพึ่งคนอื่นมากเกินไปพึ่งได้ไปบางครั้งเท้าไม่ใช่ทุกครั้งที่มีปัญหาก็เข้าหาครูบาอาจารย์แล้วมื่จะแก้ปัญหาเป็ น, นทันทีนะคนสมัยนี้จริงนักบุปัสสาวะนี้จริงอ่อนแอหวั่นไหวต่ออารมณ์ แล้วฝึกด้วยตัวเองเนะฝึกสติเอาไว้ทาเขาตัวเขาไว้พอจิตมันตื่นแล้วมันมันไวไวต่อตตาอารมณ์แต่ไม่หวั่นไห ว, วตามอารมณ์คือไวแต่ไม่หวั่นไหวไวต่ออารมณ์แต่ไม่หวั่นไหวกับอารมณ์เนี่ยมันเป็นจิตที่ถูกฝึกพัฒนาเรียบร้อยแล้วต้องเป็นตัวเอง ฝึกขยันทำความรู้ตัวให้จิตมันมีกำลัง เ, เพราะจิตมีกำลังเนี่ยมันก็จะเอาชนะอารมณ์ได้นีจิตลราอ่อนแอเหมือนนักมวยที่อ่อนตอ้อมชั้นเจิงเยอะแต่มันก็ได้ตอบบางคนที่มีความรู้มากแต่ไม่เคยทำอะไรเลยนักมวยที่มีชั้นเจิงดีแต่อ่อนซ้อมเนี่ยพอขึ้นเวทีหีไรมันก็ไม่ครบยกนะ ม <c oughs> ันต้องคู่กันมีความรู้ต้องคู่กันปฏิบัติฉันเชิงดีต้องขยัน้องจิตจึงมีกำลังนั่นต้องคนทีคน่คนที่มีปัญหาเวลาภาวนาเนี่ยไม่ค่อยทังอารมณ์รู้ไม่ทักอารมณ์หลงบ่อยๆหลงนาน หลงแล้วกลับไปถูกอันนี้ได้ยินบ่อยนะ่เพราะจิตเราไม่มีกําลังพอขาดการขาดความเพียรอะไรก็ดีทุกอยาก่างขาดความเพียรอย่างเดียวศรัทธามีเต็มที่แล้วแต่ขาดความเพียรนะชอบศาสนาพุทธนะชอบการปฏิบันะตินะฉันไม่เคยลงไปกระทาเลย มันก็จะไม่บรรลุผลไม่เข้าถึงจิตถึงใจต้องฝึกขยันรู้กตัวให้มากๆรู้ไว้บ่อยให้ต่อเนื่องทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบในรูปแบบคือการมีรูปแบบในการปฏิบัติเดินจงกรมรู้ลมหายใจยกมือเคลื่อนไหวนั่นแหละคือรูปแบบนอกรูปแบบคือไปรู้สึกกับการใช้ชีตประจำวัน ให้มันสอดคล้องกันติดมันจะมีกําลังนะต้องต่อเนื่องให้คิดซะว่าการรู้ตัวแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการสะสมเงินทีละบาททีละบาทรู้สึกครัง้งนึงก็บาดนรู้สึกครั้งนึงก็บาททีละบาททีละบาทนานวันเข้าเนี่ยเราก็จะมีเงินมากพอที่จะจับจ่ายใช้สอยได้ในสิ่งที่เราต้องการเหมือนการฝึก สติฝึกความรู้สึกตัวนี่แหละฝึกบ่อยๆเจริญสติบ่อยๆรู้ตัวบ่อยๆให้มันต่อเนื่องจิตก็จะมีกําลังตั้งมั่นเป็นสมาธิไว้ต่ออารมณ์นะไวนี่คือต้องไม่หวัวนะ่นไหวตามไวต่ออรมตั้งมั่นเป็นสมาธิเพราะจิตมีกําลังขจัดนิวรณ์ความคิดนึกปงงรุงแต่งฟุ้งซ่านต่างๆ ทำให้จิตเต่ เ, เข้าสู่พื้นฐา น, นคือความเป็นปกติตอนนี้ก็จะเห็นจะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดปัญญารู้แจ้งตามเป็นจริงได้มันต้องเริ่มขยันรู้สึกตัวหน่อยทำความคิดตัวให้มากจิตมันก็จะมีกำลังเกิดสมาธิตั้งมัน่นรู้เท่าทันกาย ร, รู้เท่านจิตแล้วมันก็จะเห็นตาเป็นจริงเนี yeah. ่ย อันนี้เป็นการปฏิบัติที่เราเก็บสะสมเงินทีละบาทบาทีละบาทแบบนั้นนะบาคนบอกว่ามันยากเนาะการปฏิบัติการภาวนาเนี่ยที่จริงมันไม่ยากไม่ง่ายหรอกถ้ายากมันก็ไม่มีใครทำได้ถ้า ง, ง่ายคนทั้งโลกก็บรรลุทำหมดมันไปตรงกลางไม่ยากไม่ง่ายหรอกไอ้ที่ยากเพราะว่าเรายังไม่เคยทำ ถ้าเราทําบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันเป็นความเคยชินแล้วมันก็จะเป็นเนื้อเป็นตัวของเราเองเหมือนการขับขี่จักรยานเนี่ยใหม่ๆขับขี่จักรยานได้บ้างมันก็ต้องยากนะคิดว่ายากแต่เราเสร็จแล้วเก่งฝึกบ่อยๆแล้วขี่บ่อยๆล้มแล้วก็ขี่ล้มแล้วขี่ล้มแล้วก็ลุกโดยที่ไม่ไม่ท้อถอยล้มแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้มแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไอ้การล้มนั่นแหละสอนเราขี่จักรยานเป็นถ้าไม่ล้มล้วขี่จักรยานไม่เป็นหรอก ล้มหลายๆครั้งก็ทำให้เราขี่เป็นมีประสบการณ์มีความฉนิทนาไม่ใช่ยากเคเพื่อเราหรอกครูบาจารย์ที่ปฏิบัติมาท่านก็ยากแต่ท่านก็ทำท่านยากแล้วท่านไม่ท้อไม่ขี้เกียจก็สิ่งที่ว่ายากกลายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องง่ายได้เป็นกนะ็ไ อ, อย่างนักปฏิบัติสมัยนี้ยากท้อขี้เกียจไปเลย ก็ไม่ได้ทําำไอการความที่มันยากเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกฝึกบ่อยๆเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวมันจะง่ายไปเองมันไม่ยากแล้วเรื่องความท้อแท้นี่ความท้อแท้ท้อถอยเนี่ยมันบั่นทอนจิตใจทําให้เราไม่พัฒนาความท้อแท้นี่ครูบาอาจารย์ช่วยได้ กัลยาณมิตรช่วยได้เราท้อเรื่องอะไรก็ตามเราปรึกษาครบอาจารย์อาศัยครูบอาจารย์เป็นกำลังใจบอกวิธีการเป็นให้กำลังใจเราหรืออาศัยเพื่อนเรากรัลยาณมิตรนะซึ่งเขาไม่ท้อแท้แต่เราท้อแท้เห็นเขาบ่อยๆเราก็จะมีกำลังใจเกิดแรงบันดาลใจหรือมองดูคนที่มันแย่กันเราคนที่ลําบากกับเรา เรามีเวียบทสี่นอนนั่งยืนเดินครบขนไุยไปมาก็ได้บางคนมีแค่นอนกับนัง่งยังทำได้เนีมองคนที่แย่กับเราแล้วเราจะมีกํำลังใจได้แรงบันดาลใจแล้กเลือกความตอบแทนเนี่ยเราย้ายมันเกิดหนาหาทางเปลี่ยนเป็นท้าท า, ายบ้กงนะเราจะได้มีกำลังใจนะ ในความคิดเกียรติอย่า ง, างนี้มันเป็นเพื่อนเก่าเราตั้งแต่สมัยชาติไหนไหทําอะไรก็คิดเกียรมันไม่พัฒนาจิต น, นักปฏิบัติที่ขิดเกียรติเนี่ยจบเลยต้องมีความข ย, ยันหมั่นเกียรติเราวิธีการเอาชนะความพเกียรอย่างง่ายงแล้วก็เปลี่ยนเป็นขยันซนะมันก็หายเกียรติไปเองเปลี่ยนเป็นขยันง่ายไหม พิกหน้ามือเป็นหลังมือก็หยาดเนี่มันก็ไม่ขี้เกียจนะความขี้เกียจมันก็ไม่เที่ยงหรอกพอขยันปั๊บคาขี้เกียจมันก็หายไปไหมเห็นใจรักในความขี้เกียจอาจจะมรรู้ทําเพราะความขี้เกียจ <c oughs> ก็ได้นะ <c oughs> นี่ไม่ได้สอนให้ขี้เกียจนะขี้เกียจแล้วก็ต้องรู้ทันผมเคยดูผมก็เคยขี้เกียจนะ ก็นั่งทำไปเมื่อไหร่เยเพราะไม่เห็นผลได้ทีตอนแรกคีดเกียวนะผเห็นไก่โอไก네่แม่ไก่นะมันคุยเขียแม่ไก่ท네ี่คุยเขียโอ้มาขยันทํางานตั้งแต่ช้าอย่างก้ามคุยเคียเลี้ยงลูกต้องเจ็ตัวไม่มีเจาะไม่มีสีไม่ง้อพ่อไก่네ไปทาไปมันสามารถเลี้ยงลูกมันรอด มันมีความขยันนะไก่เนี่ยแล้วมันมีความสามารถเลี้ยงลูกได้ต้องเจ็ดตัวแล้วมันไม่ยึดติดลูกด้วลูกตัวไหนตายมันก็ไม่อะไรอวอรอดโอ้คุณธรรมในแม่ไก่แม่ไก่ขยันเราจะขี้เกียจได้ยังไงมันก็เป็นแรงบันดาลใจเราขยันได้ถ้าเราขี้เกียจเราก็อายไก่ เราท้อเมื่อไหร่ล้วก็อายไก่เมื่อนั้นมันก็ปลุกไปให้มันตื่นมาเอ้าต้องขยันต้องทำต้องทำมันต้องขยนันการปฏิบัติถึงก้าวหน้าวันนี้เดี๋ยวความขี้เกียจเมือ่อไรเก็จะไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าเลยวิธีการเจ้าชนะความขี้เกียจคือต้องมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เราทำ การปฏิบัติธรรมทำให้เราพ้นทุกข์ได้มัวท้อแท้ไม่ได้บวขี้เกียจไม่ได้เราก็จะไม่พ้นทุกข์เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำเราจะขยันในสิ่งนั้นถ้าเรามองอะไรที่มีคุณค่าสาหรับเราเนี่ยเราจะขยันจริงไหมเวลาเราขี้เกียจเดนจงกรม แล้วก็เปลี่ยนเป็นเราชอบเดินห้างแต่เราไม่ชอบเดินจงกรมที่จริงการเดินจงกรมกับเดินห้างไม่ต่างกันเลยนะต่างรือว่าวางกิตเดินห้างเราเดินแบบลงเดินจงกรมแบบเดินแบบรู้เออล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินจงกรมแบบรู้หรือเดินห้างแบบรู้ตัว้างเดินห้างด้วยความทุกตัวเนี่ยมันไม่เสียเงินมันอยากได้ดีก็รู้สึก ไม่เอ า, เ, อาเดินหมันกตัวเนี่ยมันก็ไม่ต่างการเดินจงกรมแล้วก็รู้สึกตัวถ้าเราคิดว่าเออการเดินจงกรมมันการเดินเล่นการเดินเล่นมันก็ไม่ต่างกันพราเดินแล้วรู้สึกตัวเดินเล่นแล้วก็ตามมันมีความรู้สึกมันก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันนเดินผ่อนคลายแล้วมีความรู้กตัวนี่ก็ใช้ได้ เราไม่เราขี้เกียจนั่งภาวนาก็าไม่เป็นไรเราก็มองเห็นประโยชน์การนั่งภาวนาซะเมื่อเราเห็นประโยชน์การนั่งนับเงินนะโอ้เรา้เห็นคุณค่าการมีเงินนะชอบเงินมีเงินเรากจะขยันที่จะแสวงหาเงินนับเงินเก็บเงินเราคิดว่าเ อ, อการนั่งภาวนาการนั่งนับเงินนี่แหละรับอริยทรัพย์ด้วยหจใจเข้ารู้โอ้ได้แล้วอริยทรัพย์ หาจะออกรูปนั่นล่ะมีค่ามากกว่าเงินดิสัมมามองเห็นคุณค่าที่เราทำตนะั้งเราจะขยันในสิ่งนั้นหว่าอุบายการเอาชนะความขี้เกียจมองเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นเราก็จะขยันไปเองความเกียดจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดสรระความพอใจให้นึกถึงเห็นทุกโทษของการไม่ปฏิบัติ เราจะกลายเป็นคนประมาทเมื่อประมาทเมื่อไหร่แล้วก็ชีวิตนั้นอันตรายเห็นทุกขทการไม่ปฏิบัติใช่ไหมเรื่องภยิบัติต่างๆสิ่งภายิบัติที่ผ่านไปเนี่ยบางทีเรารู้สึกทำให้เราไม่กล้าที่จะประมาทอีกแล้วต้องรีบปฏิบัติถ้าเกิดภัยิบัติข้างหน้าเราต้องตายไปเนี่ยเราจะเกิดในภพภูมิไหนก็ไม่รู้ มันเป็นภัยในวัฏสองสารนะตายไปแล้วถ้าไม่ถ้าปฏิบัติไม่จบไม่สิ้นเนี่ยต้องไปเกิดใหม่เกิดใหม่ก็ต้องไปแก่ใหม่ไปเจ็บใหม่ไปตายใหม่ไปพลาดพลาดใหม่ไปโศกเศร้าใหม่ไปผิดหวังใหม่เพราะการเกิดใหม่เรียกวาภัยในวัฏสองสารซึ่งเป็นภัยที่น่ากลัวมากนะการเป็นบัตรคือการสิ้นสุดของการเกิด ในวัตรสงสารในพบได้พบ่ก็ตามไม่ต้องเกิดให้สิ้นสุดนจบการเกิดด้วยการบรรลุธรรมในภพชาตินี้ไหนใครกลัวภยัยจากการเกิดบ้างยกมือขึ้นโอ้ขอให้ท่านได้เป็ น, นบุญเปิดไปเกิดเลยให้สิ้นภพสิ้นชาติแต่ภพนี้ไนะอยาได้เป็นบุไปเกิดเลยสาธุ เห็นภายในว่าสงสารเราจะได้ไม่ประมาทจะได้ขยันเวลานอนก็จะได้ขายันลุกขึนมาเดินจงกรมต้องขายันขึ well ้นมาเรียกขยันคือขายันขึ้นมาลุกเจะได้ไม่ขี้เกียจไม่เป็นทอนเห็นไ่มเรื่องของความยากเรื่องความขี้เกียจความทอแท้ก็ดียอมมีขึ้นกับนักบริการทุกคน แต่คำสอนของขุนเจ้านั้นท่านบอกว่าถึงยากก็ต้องทำไปไม่ได้ให้อยู่มันท้อแท้ก็ต้องทำไปไม่ได้อยู่ทำขี้เกียจก็ต้องทำไปให้ทำ ม, มากๆไม่ได้อยุ่ทำเลยเกิด อ, อะไรขึ้นก็ให้ทาไปการทำไปเนี่ยคือการ ภาวนาให้มากๆบ่อยๆเวๆเราจะได้เข้าถึงธรรมทำบ่อยๆมันก็เข้าถึงธรรมนั้นอย่ากลัวความยากเวลาปฏิบัตินี่ก็อย่าไปคิดว่ามันลําบากอย่างวุ่นลบายอย่างนี้โม่แต่คิดอยู่นั่นแหละเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดเหตุผลถูกผิดเนี่ยก็ไม่ใช่ทักษะธรรม สัจธรรมไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกถูกผิดเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่สัจธรรมจะต้องใช้ในโลกนี้จะไปยึดมั่นถือมั่นก็ทุกข์นะคนถูกก็ทุกข์มากคนผิดด้วยครับเราถูกแล้วทําไมเขาถึงไม่ทําถูกเหมือนเราคนผิดก็เป็นทุกข์เพราะเรานี่ทําผิดไปยึดติดในถูกผิดเหตุผลเจนเกินไปจึงทะเลาะเบาแวงกัน ทำร้ายกันเพราะไปยึดมั่นในความถูกความผิดศาจนาทำไม่มีถูกไม่มีผิดถูกผิดเป็นเรื่องของสมมุติเห็นมจราจรเมืองไทยกับเมืองลาวมันต่างกันนะวิ่งโคราเลนกันนะเขาถูกหรอเราผิดหรือเราผิดเลย เ, เ, เ, เ, เขาถูกหรือไม่ใช่มันเป็นเรื่องสมมุติในการใช้ในที่นั้น ไม่ใช่สัจธรรมอย่ามัวแต่คิดเอาถูกเอาผิดว่าวิธีนี้เราไม่ชอบอันนี้ไม่ดีอันนี้จิตไม่เติมอย่าไปมัวคิดอะไเสียเวลาเปล่ายิ่งคิดก็ยิ่งสงสัยยิ่งคิดก็ยิ่งฟุง้งนซะ่านเพราะฉะนั้นวางไว้ก่อนเราทําเป็นตัวของเราเองนะเราก็ทําความรู้สึกตัวไปนี่แหละถูกเราก็รู้นะผิดเราก็รู้ มันยากเราก็รู้มันมันทอ้อแท้เราก็รู้กับมันขี้เกียจเราก็รู้อีกจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็รู้เท่าทันตะพื้นตะพือไปเรารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจิตมันก็ตื่นเห็นว่ารู้เนี่ยมันไม่ใช่เรา <c oughs> ไม่ได้จบลงที่รู้อย่างเดียวนะแค่รู้เนี่ยเราจบลงในการปฏิบัติ รู้ไปบ่อยจิตจะตื่นออมาแม้จะรู้มันก็ไม่ใช่เรารู้ไปเพียงแค่สภาวะธรรมทันั้นมันก็ต้องมีการเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปพาทีเราก็มีรู้เหมือนกันเราอยากให้มันรู้บ่อยๆก็รู้ไม่ได้ื่อทีมันก็หลงเหมือนกันบังคับบัญชาไม่ได้หมืกับการปฏิบัติมีแค่สองอย่างคือรู้กับหลงรู้กับหลงแล้วเราฝึกให้รู้ตัวรู้ก็คือรู้ หลงก็คือหลงมีจิตที่รู้อยู่จน ก, กว่าจิตจะตื่นออกว่าอ๋อแม้แต่รู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เราสิ้นสุดการเกิดตัวที่รู้ไม่ใช่เราจบลงที่การวางตัวรู้เพราะเห็นว่ามันไม่ใช่เราเป็นการเกิดดับเหมือนกันเนี่ยสิ้นสุดแห่งความทุกตรงนี้ เพ น, นั้นเราการงานแล้วก็ตามเราจะทําทงานอะไรก็ตามธุรกิจแล้วก็ตา ม, รตามเราอยากจะประสบผลสาเร็จมันต้องมีการลงมือทำคิดเอาก็เป็นจดวางแผนเท่าไหร่ก็ไม่จุดเราต้องรู้จักทําตามแนวที่เรามาต้องมีการกระทํา การงานจะบรรลุผลต้องมีการกระทําที่เดียวกาบปฏิบัติธรรมถ้าอยากจะบรรลุผลด้วยการปฏิบัติธรรมเราต้องมีการปฏิบัติมีการการะทำเพื่อจิตสัมผัส ก, กับธรรมะที่เกิดขึ้นจริงๆให้จิตได้สัมผัสรู้ลําพังแค่คิดรู้เพียงเท่านั้นเนี่ยโดยที่มีการไม่มีการเริ่มต้องกระทำเนี่ย เราไม่มีวันที่บรรลุทมคิดรู้สักเท่าไหร่ถ้าไม่มีการการะทำก็ไม่มีวันที่บรรลุทมได้หแล้วอย่างวันเนี้ยก็มาสร้างแรงบรรลุใจให้พวกเราเนี้ยทำคือมาท้าให้ทำท้าให้ทำทำจริงๆก็คิดว่าคงจะได้แรงบรรลุใจจริงๆทำบ้างนะ เราลองทำแล้วได้นี่ก็อนุโมทนาบุญนะกับผู้จัดงานแล้วก็ผู้ที่ก็มาร่วมฟังทมและเป็นบารมีทุกท่านก็มีอะไรตอบะไรจะตอบแทนหรอกไหนพูดเรื่องท้ายทำอย่าเหลือแค่คำพูดหรือการอินได้ฟังเราก็อยากชวนท่านทำคุณหมอจุ๋มเชิญมาให้พูด ก็ว่าท้าให้เราพูดเราก็จะพูดเรื่องท้าให้ทํำแล้วเราพูดเสร็จแล้วเราก็อยากจะท้าท่านผู้ฟังให้ทําดูบ้างลองไปฝึกทํำดูนะเนี่ยเราได้ภาวนาภาวนาการขยันรู้ขยนันรู้รู้สึกรู้สึกพยายามทำให้ต่อเ น, นี่อกันสักระยะหนึ่ง จะรู้ว่าจิตใจเราจะจิตใจเราจะผ่อนคลายแล้วจะเบานะมันจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงว่าจิตใจที่ไม่ปรุงแต่งอะไรแต่เราบังคับมันไม่ได้ลการปรุงแต่งมันปรุงขึ้นมาอย่าได้ไปนสนใจเลยการภาวนาขอให้ทหํ า, า, า, คาแค่หนึ่งเดียวคือรู้สึกอย่าได้ไปกดข่มว่าอย่าได้คิดอย่าได้ปรุงแต่งหนึ่งเดียวคือรู้สึกรู้สึกจนจิตมันตื่นมันก็จะเห็นความคิด เห็นจิตเห็นใจที่แท้จริงนะนก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนที่ได้มาฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัตธิธรรมในวัน น, นี้ก็ขอให้มีความเจริญมีความผาสุกมีสติปัญญาพาจิตพาใจให้สิ้นทุกข์ก่อนสิ้นชีวิตไม่ต้องบุดไม่ต้องเกิดด้วยการทุกท่านทุกคนเถิด